Oh. เป็นวันอะไรสำคัญอย่างไรนะสำหรับชาวพุทธพวกเราทุกคนในที่นี้ย่อมทราบดีแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราที่นี้นะชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าวันนี้เป็นวันอาสาหบูชาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรียนมาจากโรงเรียนตั้งแต่เล็กแล้วก็ที่สำคัญคือว่าทางราชการเขาก็กำหนดให้เป็นวันหยุดนะคนที่ แม่จะไม่ได้สนใจพุทธศาสนาแต่ว่าอย่าง่ากก็รู้ว่านี่เป็นวันหยุดเพราะอะไรนะสำคัญอย่างไรที่จริงถ้าย้อนถอยหลังไปนะสมัยปู่ย่าตายายเรายัางเด็กเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าวันเพ็ญเดือน8นี่เป็นวันอาสาฬห บ, บูชาถึงแม้จะเรียนมากเรียนสูงก็ ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าคอยหลังไปเมื่อหกปีที่แล้วนี่มันยังไม่มีนะวันอาสาระบูชาจริงอยู่นะเหตุการณ์นั้เป็นที่มาของวันอาสาะบูชานี่มีมานานแล้วนะสอง0กปีแล้วแต่ว่าวันที่เรารู้จักในนามของอาสาะบูชานี่เราเพิ่งมารู้จักกันก็เมื่อ 60กปีที่แล้วนี่เองนะก่อนหน้าปี2501นี่มันไม่มีนะวันอาสาฬบูชา เ, เพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศนะว่ามีวันอาสาฬบูชาก่อน น, น, นั้นก็มีแต่วันมาฆบูชากอนวันวิสาขาบูชาเท่านั้นแหลนะเพิ่งมาประกาศว่า วันเพ็ญเดือน8นี่เป็นวันอาสาบูชาก็เมื่อปีสอ0พนเอ็ดนี่แหละนะ64ปีที่แล้วนนจะเรียกว่าก็เฉพาะคนรุ่นเรารุ่นพ่อเท่านั้นนะที่รู้จักวันนี้ก่อนหน้านั้นขึ้นไปปู่ย่าตา ย, ยายนะทวดเทียดนี่ไม่รู้จักหรอกนะแม้จะเป็นคนไทยนับถือพุทธก็ตามแต่คือแม้คนไทยเราจะเพิ่งมารู้จักวันอาสาบูชาเมื่อ 60ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเรารู้จักคำว่าทางสายกลางอริ ย, รย ส, สัจสี่มักมีองค์8มานานแล้วคำา3สคำนี้เป็นคำที่คนไทยหรือชาวพุทธไทยเรารู้จักมาช้านานนะที่รู้จักเพราะอะไรนะก็เพราะรู้นะว่ามันเป็นคำที่สำคัญของพุทธศาสนา แต่จะไม่รู้อาจจะไม่รู้นะว่าเนี่ยที่มาของคำว่าทางสายกลางอริยสัจ4มรรคยงแปลนี่ที่มาของสามคำนี้ก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าธรรมจักปะตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรนะหรือว่าเป็นการหรือเป็นธรรมะเทศนาของพระพุทธเจ้า ที่ชื่อว่าปฐมเทศนาความสำคัญหลักการสำคัญในพุทธศาสนานะก็มีที่มามาจากปฐมเทศนาที่พระเ จ, จ้าได้ส่งแสดงนะเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมาจากกัปตนะสูตรนี่จึงเป็นพระสูตรที่สำคัญมากนะของชาวพุทธเพราะว่าเปรียบเสมือนกับ แผนที่นำทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันจะเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์หรือต้นแบบนะของคำสอนต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงในเวลาต่อมาด้วยคำว่าทางสายกลางนี่นะ เราก็คุ้นเคยกันดีแต่ว่าเราจะรู้จักกันน้อยเข้าใจอาจจะไม่ถูกต้องเพราะเราบางทีเราไปคิดว่าทางสายกลางก็คือทางที่อยูต่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วนะดีกับชั่วตรงกลางกลางนี่หรอทางสายกลางนี่ไม่ใช่นะทางสายกลางนี่มันเป็นทางที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางที่ผิดทั้งสองทางนะ ที่เรียกว่าทางสุดตรงทางแรกก็เรียกว่าการสุ ข, ขันลิการนุโยกการบำริตนด้วยกามบกมุ่นในกามเพราะคิดว่าเป็นหนทางแห่งความสุขที่แท้หรือว่าเชื่อว่ากามนั้นมันจะพ่ายพ้นทุกข์ได้ดยซ้ากับทางสุดตรงทางนี้คืออัตตกิรมัทานนุโยกนะการทรมานตนเพราะคิดว่า ในร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวนะที่ขัดขวางการหลุดพ้นถ้าทรมานมันเสียไดนะ้ความหลุดพ้นก็จะบังเกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นทางที่ผิดทั้งคู่นะและการที่พูะเจ้าทรงค้นพบทางสายกลางเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เพราะพระ อ, องค์เนี่ยเคยถลำไปในทางที่ผิดทั้งสองประการ ประสบการณ์สมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็เรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับการสุขาุิกการยุโยกนะแต่พงศ์ก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุก์เพราะสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วแต่ขั้นจะแสวงหาทางพ้นทุกขทางอื่นก็ไปคิดว่าเดิมก็ไปคิดว่าการทรมานตนเนี่ยมันจะทําให้พ้นทุกได้พงศ์ก็ทุ่มเทนะ ปุ่มเทเอาชีวิตเข้าแรกเลยก็ว่าได้เนี่ยกับการทรมานตนเนี่ยอัตตากรมยานทุนโยกเนี่ยถึงหกปีนะและการทรมานตนของพระองค์นี่จะว่าไปแล้วนี่แค่วันเดียวก็ยากเลยนะสำหรับปุตุชนคนธรรมดาเนี่ยแต่พระองค์นี่ก็ถลํากันไปเนี่ยถึงหกปีและในสุดก็ทรงพวบวันนะั้นไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุกข์ จะเป็นความล้มเหลวของพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิดทัตถะก็ได้นะล้มเหลวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่ศูนย์เปล่านะเพราะพรงได้ค้นพบว่านี่แหละเป็นทางที่ไม่ใช่เป็นทางที่ผิดการที่พรงท่งดฎพบว่า น, นี่เป็นทางที่ผิดนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่สําคัญนะ ใอ้ความผิดพลาดเนี่ยคนไม่ชอบความล้มเหลวคนก็รังเกียจนะแต่ที่จริงก็มีประโยชน์นะอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่ทางนะมันเป็นทางที่ผิดและนั่นก็ทำให้พระเนี่ยสงคนพบทางสายกลางตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะ ความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยมันก็มีข้อดีคือมันทําให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่ทางแล้วเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเอออย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ผู้มีปัญญาเนี่ยนะเมื่อเจอความผิดพลาดความล้มเหลวนี่เขาไม่เสียใจนะเพาอย่างน้อยก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ทางอันนี้มันไม่ใช่หนทางแห่งความสําเร็จ ผู้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกในโลกเนี่ยโทมัสอัลวายอดิสันเนี่ยเขาใช้ความพ ย, พยายามมากนะในการที่จะหาวัตถุดิบที่จะมาทำเป็นไส้หลอดไฟนะสมัยก่อนหลอดไฟที่ให้แสงสว่างเนี่ยมันต้องใช้ไส้นะือให้เพื่อปล่อยไฟฟ้าเข้าไปนะและถ้าไส้นั้นมีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงก็จะเกิดแสงสว่าง ไอ้ดิสันก็พยายามหาวัตถุ ด, ดิบมาเป็น10เป็น100ล้มเหลวนี่นับร้อยครั้งหลายร้อยครั้งกว่าจะค้นพบวัตถุ ด, ดิบที่เอามาใช้เป็นไส้ได้ให้แสงสว่างที่ยาวนานเป็นชั่วโมงก็ใช้เวลาหลายปีนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยความล้มเหลวแต่ละครั้งเนี่ยในการหาวัสดุที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่า วัสดุเหล่านี้มันใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่สําคัญสําหรับเขาก็าไม่เสียใจเลยเพราะว่าเอาความผิดภาพเป็นครูเอาความล้มเหลวเนี่ยเป็นความรู้นะพระพุจ้า ก, ก็เหมือนกันนะเจะ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเมื่อทรงพบว่าการทรมานตนเนี่ยมันไม่ใช่หนทางการหลุดพ้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้ท้อแท้อะไร ทําให้ตรงพระองค์ตระหนักว่าเนี่ยอนนี้คือทางที่ผิดและพอ ร, รู้ว่าเป็นทางที่ผิดนั่นแหละจึงทําให้คนพบทางที่ถูกนะก็คือทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยมักมีองแปดนะาการที่เราชาวพุทธมารู้จักมักมีองแปดได้นี่ส่วนหนึ่งก็เพราะอาศัยความผิดภาพความล้มเหลว ข, ของเจ้าชายสิทธัตถะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็น้าที่เราจะเอามาเป็นแบบอย่างได้ว่านในยามที่เราผิดพลาดเราล้มเหลวเนี่ยนะเราไม่ควรจะเสียใจไม่ควรจะท้อแท้ท้อถอยเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ว่านั่นเป็นทางที่ผิดนั่นไม่ใช่ทางแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยคนพบทางที่ถูกทางที่จะนาไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกหรือทางทธรรมเินบางคนมาภาวนาแล้วเนี่ย มันฟุ่งหรือเกินมันเครียดหรือเกินนะบางคนก็ถึงกัเลิกไปเลยแต่บางคนเนี่ยกลับได้คิดว่าเออมันแสดงว่าไอ้ที่เราทำที่เราวางใจอยู่นี่มันไม่ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยมันไม่เครียดหรอกเพราะว่าถ้าปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยมันจะเกิดความผ่อนคลายก็รู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะความอยากนี่แหละนะมันทำให้เกิดความเครียดเป็นเพราะการพยายามไปบังคับจิตน่แหละมันเกิดความเครียดเป็นเพราะว่า ตั้งใจมากไปทําให้เกิดนะความล้มเหลวรูปแบบนี้ก็เกิดปัญญาแล้วเราก็เลี่ยงทางนั้นซะแล้วก็ปรับใจให้ถูกซึ่งที่จริงก็คือปรับใจให้อยู่ในทางสายกลางนั่นแหละก็คือว่าไม่บังคับจิตนะคือไม่เพ่งแล้วก็ไม่ปล่อยใจไปเลื่อยเปลื่ยคือไม่เผลอนะไม่ตาม ไปตามความคิดแล้วก็ไม่ต้านความคิดนะตรง ก, กลางๆนั่นแหละคือทางที่ถูกนั่นเรียกว่าทางสายกลางนะวันนี้หน่อ ย, อยาทางสายกลางหรือว่าทางสุดตรงซึ่งอยู่ระหว่างกลางระหว่างทางสุดตรงแล้วเนี่ยพวกเราชาวพวกยังคุ้นเคยกันดีนะกับคำว่าอริยสัจสี่อริยสัจ4เนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ชั้นปถมละ ถ้าถามว่าอริสัตย์สคืออะไรเราก็ตอบได้นะว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่รู้แค่นี้ไม่พอนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยทรงสอนหรือทรงค้นพบมากกว่า น, นั้นอริสัตย์สี่เนี่ยท่านไม่เพียงแต่บอกให้เรารู้ว่าได้แก่อะไรแต่ท่านยังบอกได้ว่าเราควร ทำกิจหรือทําหน้าที่อย่างไรต่ออริยสัจแต่ละข้อรู้ว่อริยสัจคืออะไรเนี่ยเรียกว่าสัจจยานนะแต่ว่าสัจจยานนี่ก็เป็นแค่1ใน3ของยานที่เกี่ยวข้องอริยสัจสีนะยานที่2ที่สําคัญมากนะเรียกวิก จ, จยานคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจแต่ละข้อเช่นทุกนเนี่ย เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นะหรือเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจนะคนมาเข้าใจว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องละไม่ใช่นะทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจหรือว่ารู้ trunk, รอบนะซึ่งท่านใช้ว่าปริญญานะไอ้ที่ต้องละเนี่ยคือสมุทัยนะสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละส่วนทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องรู้ต้องเข้าใจหรือบางทีท่านใช้ว่ากําหนดรู้ดูเหมือนก็ดูเหมือนง่ายนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยเพราะใครเวลามีทุกเขาก็รู้เขามีทุกนะแต่บางทีมันก็ไม่ง่า ย, ยางั้นหรอกคนที่เจ็บคนป่วยเนี่ยปวดหัวปวดท้องเนี่ยถามเขาว่าเขาทุกไหมเขาเขาตอบว่าทุกแน่นอน ทุกที่ไหนทุกเพราะอะไรก็บอกทุกที่หัวทุกที่ปวดที่หัวปวดที่หลังปวดที่กระเพาะนะถามเขาว่าทุกตรงไหนอีกไหมเขาบอกไม่มีแล้วเนี่ยมันมีทุกแค่นี้แหละแล้วใจไม่ทุกเหรอนะบางคนเนี่ยใจมันทุกจะไม่รู้เลยนะขณะที่ปวดหัวปวดท้องเนี่ยนะใจมันก็เกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะ นะเกิดความกลัวนะกลัวว่านะจะเป็นโรคร้ายไหมนะจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นโรคร้ายต่างๆนานาที่เกิดความกังวลขึ้นมาถามเป็นทุกข์ไหมทุกข์แต่ไม่รู้นะไปเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทุกข์เฉพาะกายนะแต่ไม่รู้ว่ามีทุกข์ที่ใจด้วย คนที่นั่งนานๆเนี่ยนั่งนานๆเพราะฟังธรรมก็ดีเพราะว่านั่งสมาธิก็ดีเนี่ยบางทีเขาปวดเขาเมื่อยนะถามเขาว่าทุกไหมทุกทุกที่ไหนทุกที่หลังทุกที่ข่าเพราะนั่งนานและมีทุกอย่างอื่นอีกไหมไม่มีมีแค่นี้แหละอแล้วใจไม่ทุกข์เหรอ บางทีใจหงุดหงิดนะอยากจะลุกเหลือเกินแต่ลุกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เวลาพักบางทีอาจจะปวดนะปวดเบานะอยากจ ะ, ะเข้าห้องน้ำแต่ว่าเข้าไม่ได้ก็เกิดความกังวลนะว่าเมื่อไหร่จะพักเสทีนะใจก็ร่ำรอ้ร อ, งรองว่าเนี่ยได้เวลาพักได้แล้วพักได้แล้วพักได้แล้วอันนี้ทุกไหมมันทุกนะ ทุกที่ใจแต่ไม่รู้นั้นคำว่ารู้ทุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของ ง, ง่ายๆนะน้ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะโดยเพราะเวลาเกิดทุกที่ใจเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ามีทุกที่ใจดีว่าแต่คนป่วยหรือคนที่มีทุกทางกายเลยแม้ว่าในขณะที่ไม่ป่วยกาย ไม่ทุกกายเนี่ยในใจนี่มีความเครียดมีความหงุดหงิดนะก็ยังไม่รู้นะบางทีเพื่อนทักนี่เนี่ยเออวันเธอเป็นอะไรเปล่ารู้สึกหงุดหงิดนะฉันไม่หงุดหงิดฉันไม่เป็นอะไรไม่หงุดหงิดได้ไงหน้าตาเธอมันบอกน้ำเสียงเธอบอกพอเพื่อนสักมากมากนี่บางทีเขาโมโหนะกูบอกว่ากูไม่หงุดหงิดกูไม่โกรธกูไม่โมโหพูดแล้วพูดอีกนะนะ บอกว่าไม่หงุดหงิดแต่ว่าอาการที่มันออกมาเนี่ยมันแปลว่าหงุดหงิดบอกก็ไม่โกรธแต่อาการที่มันออกมาสปลว่าโกรธแต่เจ้าตัวไม่รู้นะนี่เป็นกงนี้กันเยอะนะมีทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์แต่ว่าเผลอเข้าไปเป็นทุกข์เส็จแล้วนะอันนี้ยิงยากขึ้นไปใหญ่นะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าทุกข์ทเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารู้ทุกข์นะเขาเป็นทุกข์มากกว่า เป็นทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์นะถ้าเราเนี่ยเริ่มมาสังเกตความแตกต่างระหว่างรู้ทุกข์กับเป็นทุกข์นะและสามารถทําให้เปลี่ยนจากเป็นทุกข์มาเป็นรู้ทุกข์ได้นี่ว่ามันช่วยได้เยอะนะหรือแค่เปลี่ยนจากเป็นทุกข์มาเป็นเห็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้มันก็จะเห็นความแตกต่างได้มากเลยและทุกข์จะบอลเทาบางการบีบขั้นใจเพราะทุกข์เนี่ยมันก็จะ น้อยลงหรือผู้อยญ่เนี่คือว่าทุกเนี่ยมันก็จะมามี อ, าอิทธิพลบีบขันใจเราได้น้อยลงถ้าเราเห็นทุกหรือถ้าเรารู้ทุกนะและที่เราจะรู้ทุกได้เนี่ยนะมันก็เพราะมีสตินะเพราะสติเนี่ยมันเหมือนตาในที่ทำให้เรานะไม่เข้าไปเป็นทุกไม่ถล่มเข้าไปในทุกแต่ว่าเห็นทุกนะและเห็นทุกเนี่ยละมันจึงจะรู้ทุก ถ้าไม่เห็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่รู้ทุกข์หรือไม่เข้าใจทุกข์อันนี้นอกจากรู้ทุกข์เนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วเนี่ยนะสัต์ประการต่อมาเนี่ยก็คืออะไรนะคือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องละเหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องละนะแต่จะละได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอะไรคือแห่งทุกข์นะอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่เวลามีทุกเนี่ยนะไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าอะไรคือเหตุแล้วไม่ค่อยพยายามที่จะสาวหาสาเหตุจริงๆว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือตัวการแห่งทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือโดยเพราะทุกข์ใจทุกข์กายอาจจะรู้นะว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่ทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกหรือที่รู้เนี่ยมันก็รู้ผิด เป็นความเข้าใจผิดมากกว่าแต่มันสําคัญมากนะพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านให้ความสําคัญมากกับการหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอคําพูดที่เป็นจุดเปลี่ยนของภาษาลิบุตรเนี่ยนะเป็นคําพูดแค่2ประโยคภาษาริบุตรเนี่ยก่อนที่จะบวชเนี่ยนะท่านเป็นมานพหนุ่มผู้แสวงหา หนทางแห่งความพ้นทุกข์ตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าอุปติสสะแล้ววันหนึ่งก็บังเอิญได้ไปเจอนะสมณะรูปหนึ่งนะซึ่งก็คือพระสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีนะพระสัชิเนี่ยก็เป็นพระรหัน์นะที่เริ่มีตัวดดวงตาเห็นธรรมเนี่ย จากการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนะมืดกไทยวัรนะแลวพอแด่ท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็ออกเผยแผ่ธรรมปุตติสารกไปเจอพอดีเห็นท่านสง่างามสงบก็เลยถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนอะไรปราสสจีเป็นคนที่พูดน้อยนะแต่ว่าแม้จะพูดสั้นนะแต่ว่า คำพูดของท่านเนี่ยก็ลึกซึ้งมากท่านก็บอกว่าเนี่ยพระตถาคตได้สอนว่าได้บอกว่าเนี่ยทำใดเกิดใดเหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและการดับแห่งธรรมนั้นนี่เป็นคําสอนของพระมาสมณะแค่สองประโยคนี้นี้เท่านั้นนะอุปฏิสาก็ดวงตาเห็นธรรมเลย และภายหลังก็ไปถ่ายทอดให้โกลิตตะเพื่อนสนิทก็มีาดวงตาเห็นทำเช่นเดียวกันทั้ง2ท่านต่อหลังก็บวชเป็นได้ชื่อว่าพระใสหรือบวชกับพระโมคคัลลานนะจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนนี้แหละได้ฟังประโยค2ประโยคซึ่งเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของเหตุแห่งธรรมธรรมในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงกุศลธรรมอย่างเดียวนะหมายถึงความทุกข์ด้วยธรรมใดเกิดแต่เหตุ ตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นความดับทุกข์จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรนะธรมสองอย่างก็คือเหตุแห่งเหตุแห่งทุกข์และคานดับแห่งทุกข์นั่นแหละนะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและอุปติสานี้ก็เข้าใจเลยนะว่าโ อ, อ้การที่พ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องรู้เหตุ เหตุแห่งทุกข์นะเราจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงความทุกข์ใจแล้วเนี่ยสายเหตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่ใจเราแต่คนมักจะมองว่าเหตุแห่งความทุกข์ใจเกิดจากสิ่งอื่นนะเช่นเกิดจากความสูญเสียนะเศร้าเสียใจเพราะว่าเสียของรักเสียคนรักนะ แต่ที่จริงไม่ใช่นะเพราะว่าบางคนแม่เขาจะเสียแต่ทำไมเขาไม่ทุกข์ทำไมเขาไม่โศกเขาไม่เศร้านะบางคนจะบอกว่าเนี่ยโกรธเพราะถูกด่าโกรธเพราะคนนี้คนนี้ด่าเราแต่ทำไมบางคนเนี่ยนะถูกคนด่าต่ไม่โกรธ หรือไม่แต่เราเองเนี่ยนะถ้าเกิดว่าบังเอิญถูกคนบ้าคนเมาดา่าเราโกรธไหมเราไม่โกรธเพราะเราไม่ถือนะเพราะเราไม่เอามาเป็นสาระนะบางคนบอกว่าเนี่ยมุดหิดโกรธเพราะว่าเรียกลูกแ ล, ล้วลูกไม่มานะสอนลูกลูกไมเชื่อแต่เวลาเราเรียกแมวแมวมไมไ ม, ไ ม, มานี่ทำไมเราไมโกรธ ทำไมเราสอนหมาแมวหมาหแมวไม่ฟังมันไม่มันไม่เชื่อเราไม่โกรธนะเป็นเพราะ่าอะไรเป็นเพราะเราไม่คาดหวังไม่คาดหวังจากแมวว่ามันจะต้องฟังเราไม่ต้องเชื่อเราพอเราไม่คาดหวังจากแมวจากหมาเรียกมันมันไม่มาสอนมันมันไม่ฟังแล้วก็ไม่หงุดหงิดนั้นที่เราโกรธนะ ที่เราโมโหไม่ใช่เพราะว่าลูกเนี่ยไม่ฟังเราเรียกแล้วไม่มานะเป็นเพราะเป็นเพราะเราไปคาดหวังจากเขาหรือเปล่านะแล้วความคาดหวังอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อยู่ที่ใจเรานะบางคนบอเนี่ยโกรธนะเพราะว่าเสียงมอเตอร์ไซค์นะมันมันดังให้ได้ยินนะหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์นะมากระทบหูจึงโกรธนะแต่ทำไมบางคนเนี่ย เขาเจอเสียงพวกนี้เนี่ยเขาเฉยๆเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยหรือพวกที่ค้าขายตามท้องถนนเนี่ยเจอเสียงมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเลยเขาไม่มีความหงุดหงิดอะไรเลยนะงั้นเท่าไราพิจารณาดูดีนะมันไม่ใช่เป็นเพราะไอ้ที่เราโกรธที่เราทุกข์เนี่ยที่เราเศร้าเสียใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งนอกตัวนะไม่ใช่เพราะมีใครมาเอาของเราไปไม่ใช่เพราะว่ามีคนมาว่าเราไม่ใช่เพราะมีเสียงดังไม่ใช่ เรียกแล้วไม่ไม่ขานนะเรียกแล้วไม่มาหาแต่เป็นที่ใจเราต่างหากนะใจที่มีความคาดหวังใจที่รู้สึกลบต่อสิ่งที่มากระทบนะหรือถ้าพูดรวมๆก็คือใจเพราะเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นนะยึดมั่นถือมั่นว่าของกูของกูยึดมั่นว่าเป็นตัวกู หือเป็นเพราะว่าไปยึดมันในความคาดหวังต่างๆนะว่าเป็นของกูนะปรารถนาการตอบสนองตัวกูนะเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็โกรธก็ทุกขึ้นมารวมทั้งเวลาเจ็บป่วยแล้วมีความทุกข์กายอย่างเดียวไม่พอทุกข์ใจด้วยเนะีเพราะไปยึดมาร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เพียงเพราะว่า มีความมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายมันไม่ใช่เพราะมีความเจ็บปวดบีบคั้นกายแต่เป็นเพราะเราไปยึดในกายนี่ว่าเป็นของเรายึดแมก้กระทั่งความปวดเป็นเราเป็นของเราด้วยทั้งที่ความปวดนี่มันไม่น่ายึดเลยนะความปวดมันน่ายึดที่ไหนนะแต่พอปวดที่ไรเนี่ยใจก็ไปจดจ่อตรงนั้นนะไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นผู้ปวดซะละ แทนที่จะเห็นความปวดนะแทนที่จะรู้ความปวดนะแต่มันเข้าไปเป็นนะมีผู้ปวดเกิดขึ้นเกิดความเกิดการยึดในผู้ปวดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาดูดีนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเกิดเพราะความทุกข์ใจเนี่ยนะมันไม่อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ข้างในนะ ซึ่งท่านใช้แล้วว่าตันหาหรืออุปาทานตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจแล้วก็อย่างให้ถึงเนี่ยไอการดับทุกหรือการออกจากทุกมันก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปคิดว่าคนอื่นหรือสิ่งภายนอกเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกไอการแก้ปัญหามันก็เลยไม่สามารถทำให้ทุกหมดไปได้อย่างแท้จริง เวลาเราเอาไม้แย่หมานะหมาบางตัวนี่นะมันจะกัดไม้นะเพราะมันคิดว่าไม้เนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์แต่บางตัวมันฉลาดนะมันไม่ได้กัดไม้นะมันกัดคนถือไม้เพราะมันรู้ว่าเนี่ยไอ้คนต่างหากนะที่ถือไม้นั่นแหละนะคนที่จับไม้นะี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์ เป็นตัวการที่ทาให้มันทุกขนะ์หมาบางตัวกัดแต่ไม้แต่หมาบางตัวเนี่ยกัดคนถือไม้อันนี้เพราะมันฉลาดนะเพราะมันรู้ว่าอะไรเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์นะคนเราก็เหมือนกันนะบางคนนี่ก็ไปคิดว่าไ <championships> ม้เนี่ยนะคือเหตุแห่งทุกข์ไปคิดว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคือตัวการที่ทำให้ฉันทุกข์แต่ว่าคนบางคนฉลาดนะก็สามารถจะมองเห็นว่า เป็นเพราะตันหาอุปทานภายในใจชันทั้งหากเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ที่ตรงนั้นแล้วเมื่อเห็นว่าจะต้องแก้ที่ใจมันก็จะเห็นความสำคัญของมักมีอง8นะมักมีอง8เนี่ยสุดท้ายปลายทางคือเพื่อการนะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจมแจ้งว่าเนี่ยทุกเนี่ยมีสาเหตุจากอะไร แล้วเป็นการช่วยทําให้ใจเนี่ยนะวางละความยึดมั่นนะในตัวกูของกูได้เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยและรู้ว่าเนี่เป็นเพราะความยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นว่าเที่ยงยึดมาว่าทุกทข์ยึดมาว่าเที่ยงยึดมาว่าสุขยึดมาว่าเป็นของเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวการที่ทําให้ทุกข์อย่างแท้จริงนะนั่นคือความหลงไม่รู้ความจริงนั้นถ้าเราเข้าใจ ว่าอริมยมยงแปเนี่ยจุดหมายคืออะไรนะเป็นไปเพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะปฏิบัติถูกแต่คนจำนวไม่น้อยเนี่ยอริมยมงแปรู้ว่าคืออะไรแต่ก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายแท้จริงก็ทำไปสักแต่ว่าทำนะเกิดสิ่งที่เรียกว่าศิลปตปามามาต์นะคือการยึดติดในรูปแบบนะหรือบางทีทำไปเพื่อเสริมภาพลักษณ์เสริมตัวตนว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรม นะเกิดกิเลสเกิดการยกตนข่มท่านขึ้นมาแทนที่กิเลสจะเบาบางแทนที่อัตตาตัวตนจะยึดมั่นถือมั่นน้อยลงนี่กลับกิเลสกลับเพิ่มพูนความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูลกลับหนานแน่นนะอันนี้พ่อไม่เข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติจุดมุ่งหมายของอะเลมพยองแปดงั้นถ้าเราเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะอวิชสัตว์สว่าคืออะไรเข้าใจว่า รู้ว่ากิจที่ควรทําสําหรับอริยสัตย์ตลอดข้อคืออะไรนะในการที่เราจะปฏิบัติให้ถูกนำธรรมะคาสอนพระเจ้ามาใช้กับตนนะเพื่อทําให้เหตุแห่งทุกข์หมดไปเพื่อทําให้กิเลสเบาบางเพื่อทําให้ความยึดติดถือมั่นได้ลดน้อยถอยลงทนทางของการออกจากทุกก็จะเปิดแจ้งเปิดโลง่งหรือว่าจำแจ้งแก่เราได้นะ เส้นทางที่มันยากลำบากขรุขระมก็จะกลายเป็นเป็นเส้นทางที่ราบรื่นนะเพราะเรามีปัญญาเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอริมักมีองแปดหรืออริสัต4เนี่ยหรือว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจใดีนะแต่ถ้าเราเข้าใจโดยเริ่มต้นจากธรรมาจักรกับปตนาสูรหรือปทุมเทศนานี่ยแล้วนะ มันก็จะทให้เราเนี่ยมีแผนที่นําทางในการที่จะพาตนพาจิตพาใจออกจากความทุกข์และเข้าถึงความสุขอังกสมได้ก็ก็หวังว่าพวกเราเนีได้มาทําบุญในวันวิสาขาบูในวันอาสารบูชาแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจในปฐมเทศนานะเกิดความเข้าใจในคําสอนของพระองค์ได้ดีขึ้นแล้วก็นําไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ก็ขออยุติอาการบรรยายเพียงเท่านี้